กเิานท่านผู้มีท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาผู้ฝ่ธรรมทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันพุทธที่ยี่สหกุมภาพันธ์วุทสงรักราร้าสิ5แเป็นวันพระวันธรรมวัวนะวาวันฝังธรรม วันที่พระพุทธเจ้าได้สงบัญญัติให้พุทธบรตษัตว์เร่งความเพียรกันทำความเพียรกันเพราะความเพียรเป็นเหตุที่จะทำให้ผลต่างๆปรากฏขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นทางโลกหรือทางธรรมผลต้องเกิดจากเหตุเสมอเหตุก็คือการทำความเพียร แล้วผลก็จะตามมาดังคำพูดที่เราคงได้ยินได้ฟังกันอยู่เรื่อยๆว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสาเร็จอยู่ที่นั่นถ้าเราไม่มีความพยายามที่จะทำความเพียรมัวแต่นั่งจุดทูกสามดอกแล้วก็ขอนู่นขอนี่ขอไปจนวันตายก็จะไม่ได้ ดังที่ขอเพราะว่าการขอไม่ได้เป็นเหตุที่จะทำหให้เราได้รับผลที่เราต้องการกันผลจะต้องเกิดจากเหตุนี่คือกฎแห่งกรรมกรรมก็คือการกระทำผลก็คือวิบากต่างๆที่จะเกิดขึ้นที่จะเป็นได้ทั้งดีและไม่ดีขึ้นอยู่ที่เหตุว่าดีหรือไม่ดี เหตุดีผลก็ดีเหตุไม่ดีผลก็ไม่ดีพระพุทธเจ้าเึงสอนให้พวกเรามาสร้างเหตุที่ดีกันมาละเหตุที่ไม่ดีกันเพื่อเราจะได้แต่ผลที่ดีเหตุที่ไม่ดีเราก็จะไม่ต้องได้รับกันดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พวกเรามาทำความเพียรอยู่สข้อด้วยกัน ข้อที่หนึ่งก็คือให้สร้างบุญหรือความดีที่เรายังไม่ได้สร้างให้ปรากฏขึ้นมาเพราะบุญนี้จะนำถึงผลที่ดีตามมาเช่นความสุขความเจริญแล้วก็ข้อสองให้เรารักษาบุญที่เราได้สร้างแล้วนี้อย่าให้หดหายไป ข้อที่สให้เราละบาปคือการกระทาไม่ดีต่างๆที่เรายังไม่ได้ละให้ละเสียและข้อที่สี่ให้เราป้องกันไม่ให้บาปที่เราได้ละแล้วกลับมาใหม่เช่นถ้าเราเคยเลิกสูบเลิกดื่มเลิกดื่มสุรายามเมาได้แล้วก็อย่า ก, กลับไปดื่มใหม่ นี่คือความเพียรความพยายามสี่ข้อด้วยกันที่จะส่งผลให้แก่ชีวิตจิตใจของเรานั้นมีแต่ความสุขความเจริญอยู่ห่างไกลจากความทุกข์ความวุ่นวายใจทั้งหลายนี่คือความเพียรทางธรรมไม่ได้พูดถึงความเพียรทางโลกความเพียรทางโลกก็คือ ต้องทำมาหากินขยันหาเงินหาทองแล้วก็จะร่ำรวยเป็นใหญ่เป็นโตได้เจริญในลาบยศสรรเสริญเจริญในสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอย่างนี้เป็นการเจริญทางโลกแต่การเจริญทางโลกนี้สู้การเจริญทางธรรมไม่ได้เพราะการเจริญทางโลกนี้เป็นการเจริญชั่วคราว ช่วระยะเวลาที่ยังมีชีวิตนี้อยู่พอร่างกายนี้ตายไปแล้วผลที่ได้รับจากการทำความเพียรทางโลกก็จะหายไปหมดเช่นลาบยศดสรรเสริญความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็จะหายไปกลายเป็นของคนอื่นไปมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทอง มากน้อยเพียงไรเวลาตายไปก็เอาไปไม่ได้มีตำแหน่งสูงขนาดไหนก็เอาไปไม่ได้มีคนคอยให้คำยกย่องสรรเสริญเยอนยอก็เอาไปไม่ได้เอาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไปก็ไม่ได้เนี่ยสู้ความสุขความเจริญทางจิตใจดีกว่า เพราะจิตใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายนั่นเองหลังจากที่ร่างกายตายแล้วจิตใจก็ต้องไปต่อใจก็สามารถเอาความสุขความเจริญต่างๆที่ได้สร้างไว้ในแต่ละวันพระไปได้ถ้าไม่ได้สร้างบุญสร้างกุศลทําแต่บาปแต่กรรมก็จะเอาแต่ความทุกข์ความวุ่นวายใจ ต่างๆ ต, ติดตัวไปพระพุทธเจ้าทรงมียานอย่างทราบเห็นจิตใจของแต่ละดวงว่าไม่ได้ตายไปกับร่างกายจิตใจแต่ละดวงนี้ไปตามบุญตามบาปที่ได้ทำไว้ในขณะที่มีชีวิตอยู่ถ้าบุญมีพลังมากก็จะดึงใจไปสูง ไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆไปสู่พระนิพพานถ้าบาปมีกำลังมากกว่าบุญก็จะเดินไปสู่อาบายชั้นต่างๆไปสู่อาบายชั้นเดลฉานชั้นเปรตชั้นอสุรกายและชั้นนรกจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ไม่สามารถที่จะมาลบล้างผลที่เกิดจากเหตุได้ลองถ้าทำเหตุแล้ว เช่นไม่รู้ว่าทําบาปแล้วมีผลจริงมีความจําเป็นต้องทํามาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงทองก็เลยต้องไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทํามาค่าขายเช่นไปจับปลาจับปลามาขายฆ่าเป็ดฆ่าไก่มาขายอาชีพเหลา่านี้ถึงแม้ว่าจะไม่ผิดกฎหมายแต่ก็เป็นบาปอยู่ดี ถ้าทำโดยที่ไม่รู้ว่าเป็นบาปเป็นกรรมไม่รู้ว่าจะต้องได้รับผลท่านบอกว่าตายไปนี้จะต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานเพราะเดรัจฉานเขาก็ไม่รู้จักบุญจักบาปเขาก็ทำไปตามความความรู้สึกของเขาเวลาเขาหิวเขาอยากจะกินอะไรถ้ามีใครวาง ของอาหารเผอไว้เขาฆ่าไปได้เขาก็จะฆ่าไปหรือถ้าเขาต้องฆ่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยเพื่อเอามาเป็นอาหารเขาก็จะทำเพราะเขาต้องเอาตัวของเขาให้อยู่รอดก่อนคนที่ทำบาปด้วยการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพื่ อ, อย่างชีบนี้ก็เป็นเหมือนเดรัจฉานนี่เอง แต่คนนี้ดีกว่าเดรัจฉานก็คือมีสติปัญญาพอที่จะแยกแยะได้ว่าอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษอะไรเป็นบุญอะไรเป็นบาป <abel. S 1> แต่ถ้าแยกแยะไม่ได้ก็ <Herr. S 1> ถือว่าเป็นเดรัจฉานทั้งๆที่มีร่างกายแต่ใจนี้ไม่ได้เป็นมนุษย์นมนุษย์นี่<ม>ต้องรู้จักแยกแยะบา บ, บุญคุณโทษ ต้องรู้ว่าการกระทำบาปนี้เป็นการกระทำที่ผิดไม่ควรจะกระทำมนุษย์จึงถือว่าเป็นสัตว์ที่ประเสริฐกว่าเดรัจฉานเพราะมนุษย์นี้มีความสามารถที่จะเรียนรู้ที่จะแยกแยะเรื่องบาปบุญคุณโทษได้หรือถ้าไม่สามารถแยกแยะรู้ได้ตัวเองก็มีมนุษย์อื่น มาคอยสอนเช่นเราก็มีดิบิดามารดาปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์ต่างๆที่จะคอยสอนเราให้รู้ว่าอะไรเป็นบุญอะไรเป็นบาปแล้วสอนให้เราอย่าไปทำบาปถ้าเราไม่อยากจะลดสถานภาพของเราจากการเป็นมนุษย์ไปสู่การเป็นเดรัจฉานเราก็ต้องรู้ว่า เหตุอันใดทำให้เราไปเกิดเป็นเดราาัจฉานเหตุก็คือการทำบาปไม่ว่าข้อใดข้อหนึ่งในห้าข้อเช่นฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปดมดเทศเสพสุรายาเมาถ้าทำบาปในข้อใดข้อหนึ่งแล้วผลก็จะต้องปรากฏตามมา แต่ผลนี้อาจจะประกากฏช้าปรากฏเร็วก็ได้ขึ้นอยู่กับการกระทาอย่างอื่นด้วยเช่นถ้าเราทำบุญด้วยเราทำบาปด้วยเช่นเราทำอาชีพฆ่าสัตว์ตัดชีวิตวันพระเราก็มาทำบุญทำทานมาฟังเทศน์ฟังธรรมมาไหว้พระสวดมนมาทำใจให้สงบ อย่างนี้บุญเหล่านี้ก็จะมีส่วนที่จะช่วยทำให้บาปที่เราทำอยู่นี้ยังไม่ต้องส่งผลเช่นเวลาตอนที่เราตายไปบุญกับบาปก็จะมาคิดบัญชีกันเหมือนกับเงินฝากกับเงินกู้จะมาบวกลบคูณหารกันจะได้รู้ว่าผลลัพธ์เป็นอย่างไรถ้าเงินฝากมากกว่าเงินกู้ ก็ถือว่ากาไรกาไรก็ไปรับรางวัลถ้าเงินกู้มากกว่า mm hmm. เงินฝากก็ถือว่าขาดทุน mm hmm. ก็ต้องไปใช้หนี้ฉ mm hmm. ันใดบุญที่เราทำกับบาปที่เราทำตอนที่เราจะตายไปนี้ mm hmm. เขาจะมา mm hmm. แย่งเอาใจของเราไป mm hmm. ถ้าบาปมีกำลังมากกว่าบุญ บาปก็จะดึงใจไปรับผลบาปถ้าบุญมีกำลังมากกว่าบาปบุญก็จะดึงไปรับผลบุญก่อนแต่ไม่ได้หมายความว่าผลบาปนั้นหายไ ป, ห, ยไปหรือผลบุญหายไปก็ต้องถึงเวลาก็ต้องรับผลบุญเช่นไปรับผลบุญก่อนจนกว่าบุญกับบาปมีกำลังเท่ากัน บุญก็ไม่สามารถดึงให้อยู่ในสวรรค์ได้บาปก็ไม่สามารถดึงให้ไปอบายได้ก็มาอยู่ตรงกลางตรกงกลางก็คือที่เกิดของมนุษย์นีเ่เวลาเรามาเกิดเป็นมนุษย์นี้ถือว่าบัญชีของเราเท่าทุนคือบุญก็ไม่มากกว่าบาปบาปก็ไม่มากกว่าบุญก็เลยต้องมากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็มาทำบุญทำบาปใหม่ต่อ ถ้าไม่มีใครสอนเรื่องทำบุญทำบาปก็อาจจะทำบาปมากกว่าทำบุญพอทำบาปมากกว่าทำบุญทีนี้เวลาตายไปบาปที่มีกำลังมากกว่าก็จะเดินให้ไปใช้กรรมในอบายถ้าทำบาปเพราะความไม่รู้<ม>ก็ไปเกิดเป็นเดรัจฉานถ้าทำบาปเพราะความโลภอยากได้มากๆ ทั้งๆ ท, ที่พอมีพอกินไม่ต้องไปทำบาปก็อยู่ได้แต่อยากร่ำอยากรวยอยากมีมากๆ ก, ก็เลยไปทำบาปด้วยความโลภทำบาปด้วยความโลภ ก, ก็ไปเป็นเปรตแล้วถ้าทำบาปด้วยความกลัวกลัวกลัวจะอดอยากขาดแคงนก็เลยทาบาเพื่อที่จะ หาอะไรมาเก็บไว้เยอะๆหรือถ้ามีใครจะมากลัวเขาจะมาทำร้ายเราเราก็ป้องกันด้วยการไปทำร้ายเขาก่อนกำจัดเขาก่อนเช่นกลัวงูจะเข้าบ้านพอเห็นงูมาก็ฆ่างูเลยอย่างนี้แทนที่จะไล่มันไปให้มันไปอยู่ที่อื่นก็ไม่ไล่กลัวมันจะกลับมาอีกก็เลยฆ่ามันดีกว่า ถ้าฆ่าด้วยความกลัวท่านก็บอกว่าต้องไปเป็นอูนย์รกายแล้วถ้าทำบาปด้วยความโกรธเกลียดอาฆาตพยาบาทเช่นเวลาใครทำให้เราโกรธเราก็อยากจะฆ่าเขาถ้าเราคิดว่าเราสามารถฆ่าเขาได้เราก็อาจจะฆ่าเขาก็ได้ฆ่าเขาแล้วทีนี้ก็ต้องไปใช้กรรมในนรก ผู้ที่ทําบาปด้วยความโกรธเกลียดอาฆาตพยาบาทก็ต้องไปใช้กรรมในนรกนี่คือผลของการกระทําบาปที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเรามาละกันจงละบาปที่เรายังไม่ได้ละเช่นถ้าเรายังฆ่าสัตว์อย่างน้อยวันนี้เราก็ต้องหยุดหนึ่งวันเช่นเราทําอาชีพฆ่าเป็ดฆ่าไก่ ยิงนกตกปลาวันนี้เราก็ละเว้นสักหนึ่งวันก็ยังดีอย่างน้อยมันก็จะบาปก็จะน้อยลงไปบาปจะไม่มากขึ้นแล้วถ้าเราทำได้มากกว่านี้ก็ทำไปละเว้นกี่ข้อได้ได้มากเท่าไหร่ยิ่งดีละข้อที่หนึ่งได้แล้วก็ละข้อที่สองไม่ลักทรัพย์ แล้วก็ล่าข้อที่สมไม่ประพฤติผิดประเพณีผิดประเพณีก็คือประเพณีของมนุษย์เหล่านี้จะร่วมหลับนอนกับคู่ครองของเราเท่านั้นคือสามีภรรยาเพราะมนุษย์นี้ไม่เหมือนเดรัจฉานเดรัจฉานเขาไม่มีประเพณีเดรัจฉานของประเพณีของเดรัจฉานก็คือจะหละอยากจะหลับนอนกับใคร ถ้าหลับนอนได้ก็จะไปหลับนอนกับเขาโดยไม่คำนึงถึงว่าเขาเป็นภรรยาเป็นสามีของใครหรือเปล่านี่เรียกว่าการประพฤติผิดประเวณีทำแล้วก็จะทำให้เหล่านี้ไปเกิดเป็นเดรัจฉานกันไปแบบอยู่แบบเดรัจฉานเดรัจฉานเขาไม่มีผัวไม่มีเมียเขามีได้กับใครก็ได้ กับลูกกับเมียกับพ่อกับกับลูกเขาก็มีกันได้เพราะเขาไม่รู้จักแยกแยะว่าใครเป็นพ่อใครเป็นแม่ใครเป็นสามีใครเป็นภรรยานี่คือถ้าเรายังละไม่ได้วันนี้ก็มาละเสียสักวันหนึ่งถ้าเรายังละการโกหกหลอกลวงไม่ได้วันนี้เราก็มาละกันอย่างน้อยสักวันหนึ่ง ถ้าเรายัางละการดื่มสุรายาเมาไม่ได้วันนี้เราก็มาละสักวันหนึ่งเราต้องเริ่มต้นตรงไหนสักจุดหนึ่งก่อนถ้าเราละวันนี้ได้แล้วอาทิตย์หน้าเราก็จะละละได้แล้วเราก็จะละเพิ่มไปได้เรื่อยๆจากวันหนึ่งก็เป็นสองวันจากสองวันก็เป็นสามวันสี่วันต่อไปเราก็จะสามารถ ละการกระทำบาปได้ทุกข้อแล้วข้อใดที่เราละได้แล้วเราก็อยากกลับไปทำอีกถ้าเราละการฆ่าสัตว์ได้แล้วก็อยากกลับไปฆ่าสัตว์ละจากการลักทรัพย์ได้ก็อยากกลับไปลักทรัพย์ละจากการประพฤติผิดประเวณีได้ก็อยากกลับไปประพฤติผิดประเวณีละจากการโกหกได้ก็หยุดการโกหกอยากกลับไป หลังจากการดื่มสุรายาเมาไดา้ก็อยากกลับไปดื่มอีกถ้าเราไม่กลับไปอีกเราก็จะไม่มีการกระทำบาปอีกต่อไปแล้วถ้าเรามาทำบุญอยู่เรื่อยๆเราก็จะไม่ต้องไปใช้บาปเก่าที่เราเคยทำเอาไว้เพราะว่าบุญนี้จะดึงเราขึ้นสูงไปเรื่อยๆจนถึงไปขั้นพระนิพพานเลย พอถึงขั้นพระนิพพานแล้วก็ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปพอไม่กลับมาเกิดก็ไม่ต้องไปเกิดในอบายเช่นพระองคุลีมานี้ผ่าคนถึง9 9คนแต่พอมาพบพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าให้สติว่าการทำบาปนี้ไม่ใช่เป็นการทำให้เจริญก้าวหน้าแต่จะทำให้ตกตำ่ำ พอเขาเห็นโทษของการทำบาปเขาก็หยุดทำแล้วก็มาทำบุญตามที่พระเจ้าทรงสอนเขาก็มารักษาศีลมาปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิฟังเทศฟังธรรมพิจารณาธรรมทั้งหลายจนสามารถปล่อยวางตัดความอยากที่เป็นเหตุทำให้ไปเกิดในภพต่างๆได้พอใจไม่มี เหตุไม่มีเชื้อที่จะพาให้ไปเกิดใจก็ไม่ต้องไปเกิดเมื่อไม่ไปเกิดก็ไม่ต้องไปใช้กรรมต่างๆที่ได้ทำเอาไว้นี่คือวิธีที่เราจะสามารถปิดอบายได้ด้วยการรักษาศีลห้าอย่างเคร่งครัดแล้วทำบุญให้มากๆยังไม่เคยใส่บาตรประจาก็ลองใส่บาตร เป็นประจำใส่ทุกวันถ้าไม่มีพระผ่านมาทางบ้านก็เอาเงินที่จะใส่บาทซื้อของใส่บาทนี้ใส่กระปุกใส่กระป๋องเอาไว้แล้วเวลามีโอกาสมาวัดหรือมีโอกาสทำบุญก็เอาเงินที่เราเก็บไว้นี้ไปทำบุญได้เลยเช่นเพื่อนบ้านมีงานบวชเราก็ร่วมบุญกับเขาได้เพื่อนมาชวนให้ไปทอดผ้าป่าทอดกถิน ก็เอาเงินที่เราสายบาทนี้ไปทําได้เลยถ้าเราไม่ทําอย่างนี้เอาเงินที่เราใส่บาทนี้ไปเที่ยวไปกินไปดื่มไปใช้ไปซื้อของอะไรต่างๆพอถึงเวลาจะทําบุญก็จะไม่มีเงินทําบุญแล้วพอไม่มีบุญเดี๋ยวเวลาตายไปบาปมันมีกําลังมากกว่าบาปก็จะดึงให้ไปเกิดในอบายนั้นเราต้องพยายาม หัดทำบุญอยู่เป็นประจำทำให้มันเป็นนิสัยเหมือนกับการรับประทานอาหารถ้าเรารับประทานอาหารเป็นประจำแล้วพอถึงเวลาจะรับประทานไม่มีรับประทานนี่เราจะหิวขึ้นมา ท, าทันทีเราอยากจะกินขึ้นมาทันทีเช่นเดียวกับการทำบุญถ้าเราทำบุญอยู่เป็นประจำเช่นใส่บาทยุทุกวัน พอถึงเวลาปั๊บต้องตื่นขึ้นมาเตรียมตัวสายบาตรแล้วเพราะเคยทําอยู่เป็นนิสัยพอมันติดเป็นนิสัยแล้วมันก็จะเลิกยากทั้งการทําความดีและการทําบาปถ้าทําติดเป็นนิสัยแล้วก็จะเลิกยากดันะั้นพยายามทําความดีให้มากๆเพื่อที่บุญที่เราทํานี้จะได้มีกําลังมากกว่าบาป พิ่งถ้าเราไม่ทําบาปเลยเราจะมั่นใจได้เลยว่าเวลาเราตายไปนี้เราจะไม่ต้องไปเกิดตาอบายนี่คืองานของพวกเราที่พระพุทธเจ้าส่งมอบให้พวกเรามากระทํากันให้ทํามากๆอย่าไปสนใจกับงานทางโลกมากจนเกินไปงานทางโลกนี้มีไว้เพื่อ เลี้ยงดูปากทองเท่านั้นมากไปกว่านั้นก็เป็นการเลี้ยงดูกิเลสตัณหาที่เป็นตัวที่จะดึงให้เราไปเกิดแก่เจ็บตายดึงให้เราไปเกิดนพบต่างๆนั้นอย่าไปอย่าไปทำงานทางโลกเพื่อที่จะมาเลี้ยงเลี้ยงดูกิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆเราต้องพยายามตัดความโลภความอยากต่างๆ ด้วยการปฏิบัติธรรมสูงขึ้นกว่าธรรมที่เราได้ปฏิบัติอยู่คือการทำทานกับการรักษาสี่ห้าเราต้องขยับขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งถ้าเราอยากจะตัดความโลภตัดความอยากที่จะคอยจุดลากให้เรากลับมาใช้กรรมในภพต่างๆพรมที่เราจะต้องปฏิบัติเช่นในวันพระนี้ถ้าเรารักษาสี่ห้าได้แล้ว วันพระเราก็มารักษาศินแปดสินแปนี้จะช่วยตัดความอยากตัดความโลภได้ศินห้านี้ยังตัดไม่ได้ตัดได้น้อยกว่าตัดศินแปเพราะตัดสินถ้ารักษาศินแปได้นี้จะตัดเกือบหมดเลยคือจะห้ามไม่ให้ไปทําตามความอยากต่างๆเช่นศินข้อสจากกาเมก็จะมาเป็นอ布拉มจาริยา คือจะไม่ร่วมหลับนอนกับแฟนหนึ่งวนหนึ่งคืนจะหาความสุขจากการมาทําใจให้สงบโดยการไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิฟังเทศน์ฟังธรรมไปศี่ข้อหกก็คือไม่ให้หาความสุขจากการรับประทานอาหารรับพอรับประทานอาหารพออยู่ได้ก็พอ รับถึงเที่ยงวันนี้ก็เหลือกินแล้วไม่ตายได้รับรองได้ร่างกายถ้าไม่ได้กินข้าวเย็นสักมื้อหนึ่งนี้จะไม่ตายแล้วจิตใจจะได้ประโยชน์เพราะจิตใจจะได้เป็นอิสระจากความอยากที่จะรับประทานอาหารแล้วจะได้มีเวลามาหาความสุขที่ดีกว่าคือความสุขที่เกิดจากการทำใจให้สงบ นั่งสมาธิทำใจให้สงบแล้วใจจะมีความสุขมากกว่าการรับประทานอาหารแล้วก็มาถือศีข้อเก็คือไม่ให้หาความสุขจากทางตาหูจมูกลิ้นกายก็คือพวกมหระรส钵บันเทิงต่างๆอย่าไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายด้วยการดูด้วยการฟัง ด้วยการดื่มลดดมกลิ่นด้วยการสัมผัสทางร่างกายต่างๆความสุขเหล่านี้เป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่จะมีความทุกข์ตามมาพอเวลามันหมดไปก็จะทำให้เรารู้สึกว่าเวเศร้าส้อยงอยเหงาก็ต้องไปหามันอยู่เรื่อยๆเหมือนคนติดยาเสพติด เวลาหาไม่ได้ก็จะทุกข์ทรมานใจถ้าเราฝืนได้หยุดได้ด้วยการรักษาสินตแปมันก็จะทำให้เราไม่รู้สึกวุ่นวายใจเวลาที่เราไม่ได้เสพมันเราต้องพยายามลดมันด้วยการรักษาสีลข้อที่เจไม่หาความสุขจากพวกมหรสลพบันเทิง ไม่หาความสุขจากการเสริมความสวยความงามของร่างกายร่างกายนี้มันสวยเดียวๆธรรมชาติของร่างกายนี้มันไม่สวยในที่สุดมันจะต้องกลายเป็นซากศพไปเวลาเป็นซากศพแล้วต่อให้ไปเสริมเสริมยังไงมันก็ดูไม่สวยอยู่ดีเพราะฉะนั้นอย่าไปหลงกับความงามของร่างกายเพราะมันไม่ใช่เป็นความงามที่แท้จริง และมันไม่ให้ความสุขกับเราอย่างแท้จริงให้เรามาเสริมความงามที่ใจดีกว่าทำใจให้สวยด้วยการมีศีลทำใจให้สวยด้วยมีการมีธรรมมีความสงบคนที่มีศีลมีธรรมมีความสงบนี้จะไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้ผู้อื่นเขาก็จะรักเราชอบเรามากกว่า เขารักร่างกายเราเพราะถ้าเราเสริมความงามที่ร่างกายแต่ใจเราไม่ดีถึงแม้หน้าตาจะสวยใส่เสื้อผ้าสวยงามแต่ไปโกหกหกลอกลวงไปช่อกงเขาก็จะไม่อยากจะคบค้าสมาคมกับเราดัางนั้นถ้าเราอยากจะสวยจริงๆเราต้องมาสวยที่ใจสวยด้วยการรักษาศีลห้าศีลแปคนที่มีศีลนี่เป็นคนที่ คนเขาเคารพนับถือกัน mm. เช่นพระภิกษุสา ม, มเณรที่มาบวชนี้ mm. ก็ไม่ได้สวยทางร่างกายโกนศีรษะเสื้อผ้า mm. ก็ไม่ได้มีความวิจิตพิสดารอะไร mm. พอมีปกคุมหุ้ม mm. ห่อร่างกายไว้ก็พอแต่คนกลับมีให้ความเคารพนับถือให้ความชื่นชมยินดี mm. ก็เพราะว่าพระภิกษุสา ม, มเณรและ แม่ชีนี้เขามีสีตนเองเขาไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นเขาไม่ไปเบียดเบียนผู้อื่นนี่อยู่กับใครก็จะไม่สร้างความหวาดระแวงสร้างความหวาดกลัวให้แก่ผู้อื่นนี่คือความสวยงามที่แท้จริงต้องความสวยงามที่จิตใจด้วยศีลด้วยธรรมแล้วยิ่งถ้ามีธรรมแล้ว ยิ่งเป็นที่น่าเคารพนับถืออย่างยิ่งเพราะผู้มีธรรมนี้จะสามารถให้ทำแก่ผู้อื่นได้ธรรมของพระพุทธเจ้านี่แหละที่จะให้พวกเราอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขธรรมของพระพุทธเจ้านี่แหละที่จะสามารถดับความทุกข์ต่างๆที่เกิดขึ้นในใจของเราให้หายไปหมดได้เช่นเราทุก์กับเรื่องใดถ้ามีธรรมะเข้ามา ธรรมะนี้จะดับความทุกข์ภายในใจของเราทันทีเลยธรรมะนี้เป็นเหมือนน้ำดับไฟใจของเรานี้จะมักจะทุกข์ความทุกข์ใจนี้เป็นไฟที่เผาใจของเราความทุกข์ของใจนี้ก็เกิดจากการทำบาปเกิดจากการทำตามความหลงทำตามความอยากพอมีธรรมของพระพุทธเจ้ามาสอนว่า อย่าไปทำบาปอย่าไปทำตามความหลงอย่าไปทำตามความอยากทำตามความโลภพอเราจุดได้ความทุกข์ของใจก็จะหายไปเนี่ยนี่พอเราเห็นคุณค่าของธรรมะที่มาช่วยเราดับความทุกข์ใจของเราได้เราก็จะมีความเคารพนับถือผู้ที่ให้ธรรมะแก่เรา เราจะเคารพพระพุทธเจ้าเคารพพระธรรมคำสอนเราจะเคารพพระอริยสงสารยิ่งกว่าเราเคารพพระราชามหากษัตริย์ยิ่งกว่าเราเคารพบิดามารดาเสียอีกเพราะพระราชามหากษัตริ ย, รบบาายรรร์บิดามารดานี้ไม่สามารถช่วยให้เราดับความทุกข์ใจได้แต่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้จะช่วยดับความทุกข์ภายในใจของเราได้ นี่คือสิ่งที่เราควรที่จะขวนขวายสร้างกันขึ้นมาในวันพระก็คือสร้างศีลสร้างธรรมกันขึ้นมาเพื่อให้เราจะได้มีชีวิตที่ร่มเย็นเป็นสุขมีชีวิตที่จะริอนก้าวหน้าไปถึงพระนิพพานในบั่นปลายอย่างแน่นอนจึงขอให้ท่านจงพยายามสร้างความเพียรกัน อย่างวันนี้ท่านก็ได้สร้างความเพียรกันแล้วมาวัดนี้ก็ต้องมีความเพียรถึงจะมาได้ถ้าขี้เกียจก็มาไม่ได้ต้องขยันถึงจะมาวัดได้มาวัดแล้วก็ขยันทาบุญใส่บาตรขยันฟังเทศน์ฟังธรรมขยันรักษาศีลขอให้ทาให้มากขึ้นไปตามลำดับเถิดแล้วผลก็จะมากขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงผล ที่พระพุทธเจ้าและพระ ส, สาวกทั้งหลายได้รับเราก็จะได้รับผลเหล่านั้นอย่างแน่นอนการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศีรัตนตรยัยและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านเจริญด้วยอายุวันนะสุขภาละ และมรรคผลที่ผ่านโดยทั่วหน้ากันเธอ